ทิฏวัคหมวดว่าด้วยทิฏหนึ่งอัจฉริสูตรว่าด้วยสุขและทุกข์ในภายในร้อยห้าสิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรสุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุ์ทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปสุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยวิญญาณสุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้น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 เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสุขและทุกข์ในภายในจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอจัจฉติสูตรที่หนึ่งจบ สองเอตังมะมะสูรว่าด้วยการพิจารณาเห็นว่านั่นของเราร้อยห้าิบเอ็ดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรบุคคลจึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น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 นั่นเป็นอัตตาของเราเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณบุคคลจึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบุคคลจะพึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ามีความแปลผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบุคคลจะพึงพิจารณาเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเอตังมะมะสูตรที่สองจบสโซอัตตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน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 ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่า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 โซอัตตาสูตรที่สาจบสโนจะมีอสิยาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี1 5อห้าสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไรทิ่ทีอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่พึงมีแม่บริการเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม่บริการของเราก็จักไม่มีภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโนจเมศยาสูตรที่สจบ 5. มิจฉาทิติสูตรว่าด้วยมิจฉาทิติรห้าิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า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 เพราะยึดมั่นรูปมิจฉาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สะดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสักยญาติทิฏฐิสูตรที่หกจบเจ็ดอตานุทิฏฐิสูตรว่าด้วยอตานุทิฏฐิร้อยห้าสิบหก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 ไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เทียงเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นอตานุทิฏฐิพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 ความพัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอภินิเวสสูตรที่8ปดจบ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 ภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีดไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นถือพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอานน์อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูป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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนันทสูตรที่สิบจบทิฏฐิวัคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อัอชัตตสูตรสองเอตังมะมะสูตร 3. โสอัตตาสูตร 4. โนจะเมศยาสูตร 5. มิจฉาทิฏฐิสูตรห สักยตทิฏฐิสูตร7อัตานุทิฏฐิสูตร 8. อภินิเวสสูตร 9. ทุติยะอภินิเวสสูตร10อนันทสูตรอุปริปนาตจบบริบูรณ์รวมวักที่มีในอุปปริปนาตนี้คือ1อันตวักสองธรรมกะทิกวรกสาอวิชาวักสี่ กุกกุละวักหา้าทิฏฐิวักรวมห้าวักเรียกว่าตติยะปั น, นาตคันทะสังยุตจบ